เมื่อกี้ถามที่โยมโ ย, ยมตุ้มมาถามเนะี่ยเออพนินึกได้อย่างในสูตรที่เราอันนี้ตอบปัญหาเมื่อกี้นิดนึงนะแต่ในรายละเอียดเดี๋ยวดูมุมอีกทีในสูตรเนี้ยในสูตรที่เราศึกษากันอยู่ในฐานะสูตรเนี้ย อ, อ, อุบาสกอุบาสก ชาวเมืองใกล้เมืองจำปาเนี่ยอุบาสกในเมืองจำปาก็มากกันพากันไปหาภาษาลิบุตรเพื่อให้ภาษาลิบุตรแสดงธรรมใช่ไหมแต่ภาษาลิบุตรบอกว่าให้มาวันอุโบสถภาษาริบุตรพาเข้าไปเฝ้าพรุทธเจ้าแล้วภาษาริบุตรเป็นผู้ถามปัญหาพุทธเจ้าบอกว่า บอกว่าค่นแล้วได้ทุนาค่าแต่พระองค์ผู้เจริญทานเช่นนั้นนั่นแลที่บุคคลบางคนในโลกนี้ให้แล้วมีผลมากไม่มีอานิสงส์มากพึงมีหรือไม่หนาะแหลมีไหมถามพระเจ้าทานเช่นนั้นแหละที่บุคคลบางคนในโลกให้แล้วมีผลมากด้วยและมีอานิสงส์มากด้วยนะพึงมีหรือไม่มี ถามว่าคำถามลักษณะนี้ท่านภาษาลิบุตรท่านรู้หรือไม่รู้ท่านทราบไหมทราบแล้วทำไมไปถามพูดพุทธเจ้าเนี่ยดูตรงนี้ดูตรงนี้เป็นหลักนะที่ในกรณีว่าไปว่าพระอริยะท่านไม่รู้าตนเองปิดอบายภูมิหรือไม่ปิดอย่างกรณีที่ไปสนทนากับอัญญาเดียรถีที่ถาม ถามว่าบางทีท่านไม่ยินดีท่านไม่คัดค้านแล้วท่านลุกไปไม่ใช่ท่านไม่รู้แต่ท่านดูสถานการณ์แล้วท่านไม่ตอบนะเวลาศึกษาพระธรรม ท, ทั้งหลายเนี่ยถ้าคนศึกษาไม่ดีก็จะไปเข้าใจว่าพระอริยะไม่รู้นะที่จริงเนี่ยต้องรู้นี้ว่าต้องดูปริมาณเมล็ดของรับว่างั้น คำตอบทั้งหมดความรู้ทั้งหมดคือเป็นความรู้ของพระพุทธเจ้าฉะนั้นบุคคลเหล่านั้นท่านเป็นลูกของพระพุทธเจ้าฉะนั้นท่านเก็บหน่วยอริยทรัพย์ของพระพุทธเจ้าได้เท่าไหร่ปริมาณหน่วยของอริยทรัพย์นั้นนะ่ะท่านต้องรู้ว่าท่านมีเท่าไหร่นะท่านต้องรู้ฉะนั้นถ้าถามในกําลังของท่านเนี่ยท่านต้องตอบได้หมดเฉพาะกําลังของพระริยะตามชั้นต่างๆนะเพราะมันเกี่ยวกันในเรื่องของธรรมะบรดก ถ้ามีใครบอกว่าให้บอกให้บอกมรดกของตนเองให้หน่อยเนี่ยว่าตนเองมีมรดกอยู่เท่าไหร่ยังนั้นปริมาณของมรดกของพระโสดาบันท่านก็สามารถเปิดเผยมรดกของชั้นพระโสดาบันเป็นต้นได้แล้วไม่ต้องอย่าอย่าเป็นห่วงว่าท่านสามารถจะเปิดเผยในแง่มุมคำสอนถึงพระสกาธาคานาคาอรหันได้แต่ท่านไม่สามารถสัมผัส ลถของพระนิพพานของพระสกาทาคาพระนาคาและพาลาาระละหันได้เท่านั้นเองแต่ในมุมความรู้ความเข้าใจเนี่ยพระนนท์เนี่ยตอนเป็นพระโสดาบั น, นท่านแสดงเกลี้ยงหมดเลยแสดงคําสอนใช่ไหมว่าท่านจบพระไตรปิฎกนี่แล้วท่านแตกฉานในปฏิสัมพิทาญาณด้วยฉะนั้นอุบาสกบาศิกาที่แตกฉานในปฏิสัมพิทาญาณเป็นอริยะบุคคลชั้นต่ําก็มีไม่ใช่ไม่มีนะปฏิสัมพิทาญาณเนี่ย ถ้าใครเป็นภระรยะแล้วเนี่ยท่านมีสิทธิ์ได้ของท่านใช่ไหม <Yeah. S 1> ตามกําลังบุญของท่านเนี่ยอ <Yeah. S 1> ดูตรงนี้เป็นประมาณระสําคัญถ้ายิ่งไปบอกว่าภาษาริบุตรไม่รู้ด้วยเนี่ย <Yeah. S 1> โอ้โหอันนี้ยุ่งเลยเนะี่ยยุ่งเล้วยุ่งเลยวนะฉะนั้นคนที่กล่าวอ้างตรงนี้ก็ต้องก็ต้องก็ต้องสังวรระวังกันเลยนะ <Yeah. S 1> ตรงนี้ตร ง, ตรงเพราะว่าท่านได้ท่านได้มรดกของพระศาสดาแล้ว ก็ลองดูอย่างเราๆเนี่ยมานั่งอ่านมานั่งศึกษาเรายังไม่ได้สัมผัสรดของมรดกที่แท้จริงเราก็พูดเรื่องมรดกได้ว่างงั้นก็ต้องย้อนถามย้อนถามว่าท่านเป็นพระโสดาบันหรือยังเมื่อท่านยังไม่ได้เป็นทาไมท่านรู้ละเอียดมากจังละ่ะใช่ไหมคิดหรือว่าคนในสมัยกลางพุท ธ, ธกาลเนี่ยก็ฟังธรรมกันบินอัธยาศัยอย่างนั้นน่ เขาจะเรียนน้อยกว่าท่านหรือถามอย่างนั้นเนี่ยก็กราบ ก, ก, ก็ไปถามท่านอย่างนั้นว่าเขาจะเรียนน้อยกว่าท่านหรือก็ในยุคนี้ขนาดท่านยังสนใจวัฒน์ขนาดนี้ในยุคที่องค์ของพระศ า, ศาสดายังทรงบวชนอยู่ด้วยแล้วเนี่ยเขาขวนขวายมากกว่านี้เยอะแค่เสียงระฆังดังว่าจะฟังธรรมเนี่ยเขาจะรีบเลยขอนั่งหน้านั่งหน้ารีบมากันเลยเ <laughs> <laughs> ข้าใจยัง ย ก, ก่อนเป็นแบบนี้ใช่ไหมก<ไหม>็ที่ที่นี้เดียวแค่นั้นแหละเทวดายังแทรกกันเป็นสิบเป็นยี่สิบเป็นสามสิบเป็นสี่สิบบอกไม่ต้องกลัวหรอกคนที่ไม่รู้นะคือเรานี่แหละงั้นอย่าห่วงว่าพระสสดาบันท่านจะไม่รู้คติของท่านบอกอย่าเป็นห่วงแต่เราเนี่ยไม่รู้คติของเราจริงๆนะ<เอา>นะตอบอย่างนั้นเลยนะ เราเนี่ยไม่รู้คติของเราแน่นอนแต่ไม่ต้องเป็นห่วงท่านว่าท่านจะไม่รู้อย่าไปวิเคราะห์ให้มันปวดหัวเลยท่านรู้ท่านแน่นอนต้องบอกงั้นเน่เพราะมันเกินวิสัยเราด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งพระธรรมของพระาศาสดาที่เราไปคิดเนี่ยแล้วเราไปจะไปหักลานชินจักรของพระเจ้าเขงให้ก็ต้องระวังเงตรงนี้เราเรอ่าอย่าอย่ า, อ ย, าอย่าไปคิดอย่างนั้นก็ก็บอกท่านอย่างนั้น ถ, ถ้าบอกอย่างนี้เดี๋ยวท่านก็จะได้คิดได้เนาะพอคิดขึ้นมาท่านว่าเออลืมเนื้อลืมตัวไปเดี๋ยวท่านจะได้ขอเข้ามาใช่แล้วก็เป็นการสกิทกันนะนะถ้าสกิทแล้วท่านก็ยังเฉยอยู่ก็ปล่อยตัวใครตัวใครเลยตรงนี <c oughs> อ้อเพราะว่ า, าแสดงว่าสกิทแล้วท่านไม่เอาแล้ว <c oughs> บอกว่าการกล่าวมัน การกล่าวที่มันให้ใหดูรู้สึกอัตราเสียงมันสูงเนี่ยมันไม่ค่อยสร้างความเชื่อสือเชื่อถือเท่าไหร่หรอกบอกเลยนะต้องบอกว่ามนุษย์เนี่ยมนุษย์อย่าไปคิดดังมันจะพังพอคิดเนี่ยอย่าไปคิดเรื่องดังเรื่องเด่นอย่าไปคิดตรงนั้นมันไม่มีสาระหรอกสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมารมไม่มีอะไรหรอกเข้างะ อย่าไปติดอะไรกันมั่งกันหน้ากันหนาถรงนั้นน่ะใช่ไหมใช่ไหมเราจะเอาอะไรเอาเอาบริวารเลยบริวารก็คือสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสและทำมาร ม, มบอกสุนัขเขาก็มีบริวาร ใ, <ช>ใช่ไหมเสือก็มีบริวารอบบญสัตว์เขาก็มีอบบยวะแม้หนูตัวหนึ่งมีบริวารตั้งเยอะไหมหมดมดฝูงหนึ่งบางทีตัวใหญ่ๆตัวหนึ่งบริวารเพียบเลยใช่ไหม ฉะนั้นถึงบอกว่าไม่อย่าไปต้องการบริวารเลยใช่ไหมไม่รู้จะไปทำไมมันไม่ใช่เป้าหมายบริวารไม่ใช่เป้าหมายทรัพย์ไม่ใช่เป้าหมายเกียรติยศชื่อเสียงไม่ใช่เป้าหมายไม่ใช่เพราะมันทำมาซึ่งความเจ็บปวดพระบรมศาสดาไม่ได้สร้างบา ร, รมีมาเพื่อเป็นศาสดานะไม่ใช่พระองค์สร้างบา ร, รมีมาเพื่ออนุปาธานปิพาน นั่นแหละเป้าหมายของพระ อ, องค์อยู่ตรงนั้นแหละแต่พระ อ, องค์มีกรุณาพระเหลืปรารถนาขนสัตว์หรือสัตว์เห็นไหมการที่จะขนสัตว์หรือสัตว์ได้พระ อ, องค์ก็ต้องตั้งว่าจะต้องได้สัพพัญญุตยานใช่ไหมก็เลยขับเน้นมหากรุณากับพระปัญญาเนี่ยให้สมดุลกันเนี่ยมหากรุณาก็ผูกสัตว์ไว้ในตนอย่างนี้นะแต่พตระศาสดาบอกเลยนะเราไม่ได้ปรารถนาเป็นอาจารย์นะไม่ได้ปรารถนาเป็นอาจารย์ ฉะนั้นคําว่าอาจารย์เนี่ยเจ็บปวดมาเยอะคนที่ติดคําว่าอาจารย์เนี่ยพากันเจ็บปวดทุกทรมานกันมาหมดแล้วอย่าอย่าไปศึกษาพระธรรมเพื่อความเป็นอาจารย์นะเมื่อมาเนี่ยถ้าเป็นพระสมทบเนี่ยม า, มาสบายใจ <c oughs> สบายใจ <c oughs> ใช่ไหมมันผิดได้ถูกได้ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นอาจารย์ขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วคือมันผิดไม่เป็นเน่ยมันผิดไม่เป็น อัตตามันจะเยอะดีไหมไท่านี้นะ ม, มันนำมาซึ่งความติดติดแล้วมันมันให้โทษมันให้โทษอะไรกันอะ อ๋อเ่เออเอ๋อต้องแก้นงั้นมาไม่ได้ตรวจไม่ได้ดูบ้างลยอ๋อ มาที่จริงมีบัลีอยู่เนะี่ยมาลืมดูไปอ๋ออ๋อ เอ อ, รรเ อ, อถ้างั้นดูงี้ก็กแล้วกันนะนะอ้าวไม่ต้องดูแลเห็นแล้วนี่มีแล้วเยอะ ย, ยกิการมีแล้นี่มีบารีอยู่อ๋อเมื่อกี้เองอพอดีพอดีอามาใชเ้เล่มเก่าดูอยู่นะ ไม่ไดมใหม่ไม่ไม่ไม่ได้ม่ได้ดูพอดีไม่ได้คั่นไว้นึกว่าไม่กว่ากว่าไม่ผิดไม่ได้ตรวจดูเอางี้นะในเรื่องของทานาสูตรนะในเรื่องทานาสูตรนะเออดีนะอ๋อ เออตรงนี้ในทานาสูตรเนี่ยนะในฉบับของมหมาโมกุฏเนี่ยนะในสัตกานิบาศเนาะตอนที่พระสารีบุตรเข้าไปเฝ้าพระผูู้มพภาคเจ้าในวันอุโบสถพร้อมด้วยอุ บ, อบาสกนะชาวเมืองจำปาเนี่ยท่านพระสารีบุตรพร้อมด้วยอุบาสกชาวจำปาเข้าไปเฝ้าพระาศาสดานั่งนะั่ที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วก็ถามว่าทานเช่นนั้นนั่นแล ที่บุคคลบางคนในโลกนี้ให้แล้วมีผลมากตรงนี้ตรงนี้ไม่มีอานิสงส์มากทานชนิดเดียวกันที่บุคคลบางคนให้ถวายแล้วเนี่ยไม่มีผลมากไม่มีอานิสงส์มากนะต้องแก้นนะตรงนี้นะเออในนี้ใช่ใช่ทานตเดยเออเนี้ยใช่ทชี่จริงเป็นเป็นเววจนะกันเป็นไวยพจน์กัน เป็นไวโพ์กันเป็นคำคำเดียวกันนะก็คือว่าค่าแต่พระองค์ผู้เจริญทานชนิดนั้นนั่นแหละที่บุคคลบางคนในโลกนี้ให้แล้วไม่มีผลมากไม่มีอนิสงฆ์มากนะท่ากล่าวอย่างนี้ก็แล้วกันนะเ<ะ>พิ่งมีหรือหนอแหล่ทานชนิดนั้นที่บุคคลบางคนในโลกนี้ให้แล้วมีผลมากมีอนิสงฆ์มากเพิ่งมีหรือไม่เนะี่ย ตรงนี้นะก็ก็ตัดประเด็นให้ชัดเลยเดี๋ยวอ่านแล้วมันแกงงๆเหมือนกันนะเน่ย๋ยวไปบอกว่าผลการนิสง์นี่มันต่างกันทนะ่านนี้นะก็คือว่ามีผลมีอนิสงใช่ไหมเป็นไวัยจน์กันเป็นไวัยจน์กันตรงนี้ก็คือว่าในสูตรนี้ก็แก้แก่แนละ้วตามเนี้ที่จริงฉบับใหม่ก็น่าจะแก้แล้วนี่ามาแล้วฉบับเก่า <laughs> เพราะมันหยิบได้ตรงนี้มาก็เลยเอาตรงนี้มาเย เพิ่งมาเห็นฉบับใหม่กันแร้วนี่ไงอยูนนี่นี่ไงวางอยู่นี่เอามาไม่เปิดเองกันเนี่ยจริงๆข้าอาจจะแปลถูกแล้วมาหยิบผิดย่างห ย, ยิบสูผิดเลย คือคือจริงๆก็คือตรงนี้ก็ต้องอย่างนี้นะว่าทุกคนเนี่ยเขาเต็มที่เขาเนี่ยเนี่ยเต็มที่นะมันมันมั น, ม, นมันไม่ง่ายเเรื่องแบบนี้ลองคิดดูที่โอโ้โหตรวจแล้วตรวจอีกนะตาแฉะตาเปียกกันอยู่เนี่ย อาออ๋อนี้เขาท่านฟุตโนตไว้ตรงนี้ฟุตโนตว่าฉบับพมา่าเนะี่ยไม่มีผลมากท่านใจ ต, ตกเลขเขาไว้อันนี้ฉบับของไทยเนะี่ยมีผลมากไม่มีอนิสงส์มากมีผลมากไม่มีอนิสงส์มากฉบับของพม่านั้นะน่ะไม่มีผลมากไม่มีอานิสงส์มากหลายโลงนี่จะไห เออถ้าตกเลขไว้เงี้ยนี่ชัดเลยฮะ ท, ท่านก็ท่านไม่ทิ้งไงท่านไม่ทิ้งของไทยท่านไม่ทิ้งไ ง, ไงใช่ไหมเป็นเป็นสำนวนก็จริงอยู่ใช่ไหมจะท่านอาจจะคิดว่าเออมันมีผลนะเป็นมนุษย์เนี่ยใช่ไหม แต่เมื่อเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยอันนี้ส์ของกามเป็นมนุษย์แต่มันไม่มากอะไรก็นท่านอาจจะคิดมุมของท่านอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมอันนี้เราก็ไม่รู้ข่านนะเนี่ยตรงนี้ต้องดูในชั้นก็อาถรรพ์เมื่อกี้ม า, มาไม่ไดูรายละเอียดยนะท่านใช้คำว่าสิ้นกรรม มุ่งฝังจิตลงในฐานก่อนเนื้ไปสู่ก็คือกรณีอันแรกอันแรกจริงๆเนี่ยนะท่านท่านโดยหวังผลหวังผลในที่นี้ท่านแปลว่าความอยากก็คือจิตผูกพันน่ปฏิพัฒนถ้าจิตโตเนี่ยมีจิตผูกพันในผลของฐานเพราะมีจิตผูกพันเบ็เสร็จก็มุ่งสั่งสมและสันนิทิเปโขเนี่ยสั่งสมแล้ว ฝังจิตลงในฐา น, นทันทีตายไปแล้วเนี่ยนก็ไปสู่โลกอื่นสิ้นกรรมตังกรรมมังเกเปตวาก็คือให้ผลของกรรมนั้นสิ้นไปแล้วก็สิ้นฤทธิ์ด้วยฤทธิ์ในที่นั้นคือวิบากยะสังก็คือสิ้นยศสร้งพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายความเป็นใหญ่เนี่ยที่ปไตยะก็คือเหตุแห่งความเป็นใหญ่มาสู่ความเป็นอย่างนี้อีก กลับมาเกิดอย่างนี้คือกลับมาสู่ขันธปัญญ า, าอีกเนาะไม่สามารถที่จะออกจากรูปขันธเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้เขาจะไม่ผุดเกิดในภพนั่นอีกจะไม่ผุดเกิดในภพสูงขึ้นไปอีกแต่จะกลับมาสู่ในภพภูมิที่ต่ำเท่านั้นนี่นะจะกลับมาสู่ภพภูมิที่ต่ำเท่านั้นไม่ได้ขยายคานั้นว้วยตรงนี้ก็ เจ็ประเด็นก็คือว่าตันหุตาตริยทานะการให้ทานที่ยิ่งด้วยความอยากนี่เป็นไปกับตัณหา จ, จ, จิตจิตตานิตตีการทานก็คือได้แก่ความยำเกรงให้ด้วยความยำเกรงข้อที่สองข้อที่สามก็คือโรตตับปทานก็จะแก่ให้ด้วยความระอายแล้วก็เกรงกลัว ทานที่สี่ก็ให้โดยความไม่ให้เสร็จไม่ให้มีเสร็จเหลือก็ให้เหมือนกับที่เขาทํายันกันนะบูชายันนี่เขาให้ทั้งหมดนะนี่มหายันยานี้เนี่ยนะในรายละเอียดเรื่องยันก็ไปอยู่ในในทีคณิกายเนะี่ยทีขณิกายศีรขันดาวัคเรื่องการบูชายันของพระเจ้าวิชิตราชโอ้เรื่องยาวเลยทังนั้นเนะีนะั่นเรื่องยาวเลย น, น, นั้นเกี่ยวกัเรื่องของการบูชายันแล้วก็ทักคินยายะบุคคลเนี่ยทักคินยายฐานนะก็คือให้แก่ทักคินยายะบุคคล6ก็คือสมมา น, นสมมัสสูปวิจารฐานก็คือด้วยอาศัยสมมาัสเจ็ดก็อรังการาปริวปริวารฐานก็คือเป็นเครื่องประดับและเป็นบริวารแห่งจิตตรงนี้ก็จุดนั้นไม่ได้ขยายไว้ ก็ก็ไม่มีผลมากไม่อ น, นิสงมากก็ตามฉบับพ่มา ก, ก็ชัดเดียนะเล่ตามชัดดี<อ>แต่นี้ดีท่านก็ตกเลขไว้ท่านก็ตกเลข <c oughs> เออดีตกเลขก่อน แนั้นในในสูตรในทานนะสูตรเนี่ยนะตรงนี้ก็พอดีได้เวลาแล้วตรงนี้ในวันนี้ก็พูดถึ ง, ง, ง, งในเรื่องของพูดของในเรื่องของทานในเรื่องของทานเนี่ยนะเดี๋ยวขยายขยายในในในในทานในกุศลตรงเนี้ย เสียงอะไรเสียงอะไรต้องเสียงยมรวรเมื่อวานนี้ได้ยกในเรื่องของสับปุริสถานมาห้าประการตรงนี้ก็ในสัพปุริสถานหาประการนะั้นนะ่ะนะนะที่ได้ยกมาเมื่อวานนี้ก็พูดถึงในเรื่องของ พระศาสดาตรัสกันไว้นะครับว่าปัญจมานี้พิเครวสั พ, พุริสถานานิกัตเมนิจะปัญจเนี่ยนะก็บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสั พ, พุริสถานมี5ประการได้แก่อะไรบ้างการบริจาคทานด้วยความเลื่อมใสเชื่อในกรรมและผลของการกระทํำอันนั้นเป็นศรัทธาทานนั้นอย่างหนึ่งการบริจาคทานด้วยความเคารพทั้งกระทำตนเองและทยายารมนั้นให้สะอาดหมดจดอันนั้นเป็นส ก, กัจจะนะสักกัจจะทานนั้นอย่างหนึ่ง การบริจาคทานให้เหมาะสมแก่การนั้นๆการนั้น น, น, นั้นก็คือการที่ที่สมควรที่จะกระทำนะที่เป็นการรทานนั้นอย่างหนึ่งการบริจาคทานโดยการสละอย่างแท้จริงไม่มีการยึดติดหรือห่วงเนี่ยนะนวงเหนียวห่วงใยในวัตถุทานนั้นนะ่ะที่เป็นอโลพาทานอันนี้เป็นอนุขหิตาทานนั้นอย่างหนึ่งการบริจาคทานโดยไม่มีการกระทบตนและบุคคลอื่น อันนี้เกี่ยวข้องจะในเรื่องของทิฐิในเรื่องของมานะนี่เลยนะและเป็นอนุประหัจฌทานนั้นอย่างหนึ่งสรุปตรงนี้ก็คือว่าศรัทธาทานสกักกะฌานการทานอนุขหิตธาทานอนุประหัจฌทานศรัทธาทานก็คือผู้บริจาคทานโดยความเรื่มใสเชื่อกำนะจิตจะผ่องใสนะกลุ่มที่เชื่อกรรมและเชื่อผลของการกระทำเนี่ยนะ ตรงนี้คำว่าเชื่อกรรมในที่นี้ก็กรรมสกตาเนี่ยสัมมาทิฏฐิพอพูดถึงในเรื่องของกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิถ้าเราไปดูในชั้นบุญกิริยาวัตถุเนี่ยที่บอกว่าบุญกิริยาแล้วก็วัตถุเนี่ยนะุญญาเนี่ยวัตถุหมายถึงเป็นเหตุวัตถุในที่นั้นเนะ่เป็นกรณะคือเป็นเหตุ เป็นที่ตั้งแห่งผลดีมาจากคำว่าอัตโนสันตานังปุนาติโสเทติติตบุญยังเนี่ยราบตรงนี้นะการกระทาใดย่อมชำระสันดานตนให้สะอาดให้ขาวสะอาดฉะนั้นการกระทานั้นเชื่อปุญญาปุญญาก็คือการบุญนี่ก็เลยว่าทั้งสามเลยทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาเลยตรงเนี้นะ บุญบุญนั้นเป็นสิ่งที่ควรทําเพราะเป็นสิ่งควรกระทําโดยแท้บุญกิริยาก็คือบุญที่ควรทํานั้นเป็นที่ตั้งเพราะเป็นที่ดํารงอยู่แห่งสุขวิเศษถ้าบุญกิริยาวัตถุกับบุญที่ควรกระทําและเป็นที่ตั้งแห่งสุขเนี่ยนะทีจ่จริงเป็นเครื่องชําระนะีบุญตัวนี้เป็นเครื่องชําระกระแสจิตแสดงว่ามนุษย์เนี่ยนะหรือสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยมนุษย์เทวดาและพรหมทั้งหลายเหล่านี้ถ้าสัตว์ทั้งหลายเนี่ย จิตไม่สะอาดนะจิตไม่สะอาดเมื่อจิตไม่สะอาดแล้วในการชำระจิตจึงเป็นเรื่องสำคัญใช่ไหมถ้าเราเหมือนผ้าไม่สะอาดเราก็ไปล้างหรือไปก็ทำความสะอาดผ้าโดยการซักผ้าถ้าจิตโสกรกไม่สะอาดก็คือสกระกนั่นแหละจิตโสกระกจิตไม่สะอาดก็คือใช้โสพณธรรมนั่นแหละไปชำระใช่ไหมอาโสพณธธรรมเนี่ย อโศภนัจิตเนี่ยอกุศสดจิตโดยเฉพาะโดยตรงคือตัวอกุโสดจิตเนี่ยอันนั้นจิตสปกปรกจิตไม่สะอาดนั้นสภาพจิตที่ไม่สะอาดนั้นท่านชำระด้วยด้วยด้วยบุญตัวบุญนี่ก็เป็นเครื่องชำระไปอันนี้นะเป็นเครื่องชำระส่วนอีกความหมายหนึ่งก็คือว่าสภาพก่อให้เกิดหน้าเคารพ บ, บูชาก็ได้นะหน้าเคารพ บ, บูชา บนกิจวัตุว์หนึ่งก็คือบุญทีนี้บุญก่อนกระทาบุญขณะทำบุญหลังทำนั้นเป็นพูกถึงเจตนาแล้วก็บุญชั้นต่ําบุญชั้นกลางแล้วก็บุญชั้นประณีตถ้าหากว่าชั้นต่ำเนี่ยบุญที่ทําให้เกิดด้วยอํานาจของฉันทาวิริยะจิตตะและวิมังสาแบบชั้นต่ําถ้าบุญชั้นกลางก็บุญที่ทําให้ระดับฉันทาวิริยะจิตตะ แล้วแล้วก็ปัญญาเนี่ยชั้นกลางถ้าประณีก็ฉันทวุริยจิตตะแล้วก็ปัญญานี่ชั้นประณีเนี่ยนะอีกอย่างหนึ่งขับเน้นนะนะทานไปต้นเนี่ยทานศีลภาวนาเนี่ยนะถ้าชั้นต่ําบุญที่ก่อให้เกิดด้วยความต้องการชื่อเสียงอันนี้ก็จะว่าชั้นต่ําชั้นกลางก็คือบุญที่ทําให้เกิดด้วยความต้องการผลของบุญอันนี้ปรารถนาผลของบุญไป ถ้าชั้นปานีตบุญที่เกิดขึ้นโดยอาศัยความเป็นผู้มีอัธยาศัยดีด้วยดำริว่าควรกระทาสิ่งนี้นี่เป็นสิ่งที่ควรทำไปอีกมุมหนึ่งนะอีกในหนึ่งก็คือว่าชั้นต่าบุญที่เศร้าหมองด้วยการยกตนข่มคนอื่นด้วยทิฏฐิมานะชั้นกลางก็บุญที่ไม่เศร้าหมองทําให้เกิดขึ้นได้หวังมีส่วนแห่งโลกียสุขคือต้องการผลในโลกีย ถ้าชั้นปลาณียก็หวังสุขในมรรคผลในโลกุตละนั่นเองชั้นตามอีกในหนึ่งบุญที่ทําให้เกิดเพื่อสมบัติในภพด้วยอํานาจของตันหาชั้นกลางก็คือว่าบุญที่ทําให้เกิดเพื่อความหลุดพ้นของตนชั้นปราณียก็คือบา ร, รมีไงเพื่อจะลหลุดพ้นจากสังสารวัฏนั่นแหละอันนี้ท่านแยกแยกไปตามนัยยะนัยยะของของทิบณีท่านท่านแยกเอาไว้ ตรงนี้ตรงนี้ก็คือว่าท่านแยกเกี่ยวในเรื่องของทานก็คือเจตนาที่เป็นเหตุให้ก็คือเจตนาที่เสียสละสิ่งของท่านขับเน้นตัวเจตนานั้นถ้ามองอย่างนี้ตรงนี้ก่อนนะมาขับเน้นตรงนี้ก็คือว่าทาให้เห็นว่าอีกในหนึ่งท่านพูดถึงวัตถุสิ่งของสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะที่พึงให้อันนี้พูดถึงทานสองอย่าง เป็นเจตนาทานและก็วัตถุทานมาสรุปประเด็นตรงนี้ก็สรุป4อย่างนะสอย่างที่เจตนาทานได้แก่เจตนาที่ประกอบกับมหากุศลนซึ่งเป็นเหตุแห่งการให้ทานก่อนที่จะไปดูรายละเอียดของทานอีกอย่างเนี่วัตถุทานได้แก่ปัจจัย4ทายธรรมอันนี้ตามในยะของพระวินัยไปถ้าพระสูตรก็แยกไปเป็นสิบข้าวน้ําเป็นต้นเนี่ยนะ ถ้าพระวิธรรมก็เป็น6รูปทานนางสัทธาทานนางคันธาทานนางรัศธานางโพธิพัฒานางัานา ง, านางและก็ธรรมะทานนอง อ, อโลพาทานเอวัตุอโลภาทานได้แก่อโลพาเจสิกที่ประกอบกับเจตนาเจสิกที่เป็นไปกกุศลนะที่เป็นเหตุแห่งการให้ทานส่วนวิรติทานเนี่ยได้แก่วิรติสามีการงดเว้นจากอกุศลทุจริตอันเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายไม่ต้องวนันโง หวั่นใจนะในการที่จะมีภัยเกิดขึ้นนี่เป็นอภัยทานทั้งที่เป็นภายในและภายนอกอันนี้เป็นวิรตีนั่นแหละแต่ถ้าหลักฐานตรงนี้ท่านสรุปหลักฐานไว้ว่าในสัตตมวรครในคัมภีคาถาวถัตถุท่านใช้คําว่าเจตน า, เจ ต, นาเจตสิกที่ประกอบกั บ, กบมหากุศสเนี่ยชื่อว่าทานใช่ไหมท่านก็แก้ว่าใช่อันนี้ในคาถาวถัตถุถามเรื่องทานบอกว่าเจตนาเจตสิกที่ประกอบกั บ, กบมหาคุศล8เนี่ย ี่นตรงนี้ชื่อว่าทานใช่ไหมใช่ไม่ใช่เียถามตรงนี้ใช่ไม่ใช่ก็บอกว่าใช่ทีนี้พอบอกใช่เนี่ยเจตนาที่เป็นทานก็มีแล้วเจตนาที่เป็นศีลเนี่ยเป็นทานไหมแล้วเจตนาในภาวนาล้วเป็นทานหรือไม่เป็นไม่เป็นฮะเป็นไม่เป็นเจตนาที่ในในทานเจตนาที่เป็นเหตุแห่งการให้วัตถุทานเป็นทานไหม เจตนาที่เป็นเหตุแห่งการรักษาศีลเนี่เป็นทานไหมเป็นทานอะไรเออเป็นมหาทานและเจตนาที่เป็นไปกับการเจริญภาวนาเป็นทานไหมเป็นอะไรเป็นจานุสติไงเป็นสมถภาวนาด้วยใช่ั้ยแล้วก็ขึ้นถึงวิปัสนาภาวนาด้วยเพราะเป็นเจตนาเป็นพงต้องการจะสลากิเลสและขันไหม ต้องการจะสลาด้วยนะฉะนั้นฐานเนี่ยพูดถึงเพื่อเป้าหมายก็คือต้องการสลาทิ้งใช่ไหมต้องการสลาทิ้งสรุปแล้วเอ๊อย่างนี้มงคนคิดไปเอ๊ะไม่เอาดีกว่าไม่ให้แล้วให้ไปให้มาจะต้องทิ้งขันตัวเองน่น่ากลัวไหมไม่น่ากลัวแล้วนะพอทิ้งไปทิ้งมาแล้วเนี่ยเบื้องต้นก็ค่อยๆฝึกทีละนิดละนิดไปใช่ พอฝึกไปฝึกมาแล้วพอจะรู้เนี่ยรู้ตัวที่ไหนได้ทิ้งขันไดแล้วไม่เอาอะไรแล้วเอถ้าเราบอกบอกอนิสงส์แบบสูงสุดไว้อย่างเงี้ยราวะสัมปติกับภาวะวิภาวะสัมปติเนี่ยปัจจุบันฐานังเนี่ยถ้าบอกาถ้าได้ถ้าได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ดีกับได้สิ่งแวดล้อมที่ดีมันก็น่าชื่นใจใช่ไหมถ้าบอกมีความสิ้นพบเป็นอนิสงส์เขาอีกโอ้โหเป็นผลปรากฏเขาอีก โอ้โหไม่เอาเลยเอาไหมเ อ, เอาเลยเถ้าเอาก็วางใจใหม่ใช่หให้แล้วอย่าไปหวังหรือไปติดอย่างเดิมเนะใช่ไหถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็กลับมากลับมาเฝ้าอีกต่อไปไม่เอาแล้วนะย้อมต้มนะให้แบบเฝ้ารั์นี่ไม่เอาแล้วเนะี่ยไม่เอาแล้วทั <c oughs> ้งนั้นก็ก็ไปพิจารณาเสียเนี่ยกลับไปบ้านก็ไปพูดใหม่